นั่งคัดสมาธิแล้วก็ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาละหลับตาเลยดูใจละภาวนาพุโทโธในใจเวลาหลับตาก็ไม่ให้ง่วงเหาเหงานอนให้ใจแจ้งเหมือนกลางวัน ใ, ใจดีใจงามเนี่ยทาบทุญทอด พาป่าบังสกุลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ไปก็เป็นเวลาฟังธรรมนั่งภาวนาตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสทั้งหลายให้มันหมดสิ้นไปกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้พากันทิ้งไว้ทำผับห่วงอย่ า, าเก็บเมืองกรุงเทพนครทิ้งไว้ในมดวร็ใจจะได้สบาย เวลาตั้งนาโมของไม่ต้องถนอมมือนั่งหลับตาภาวนาพุทโธฟังธรรมนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมปุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพภาพรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรม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 พร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังนี้ไม่ต้องท่งจิตใจมาฟังให้เราทุกคนรวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในใจจิตใจของคนเรานั้นนี่จุดหมายอยู่คือว่าดวงใจดวงจิตที่มีความรู้อยู่ เสียงที่ลอยไปในอากาศถ้าคนหูดีมันก็จะเข้าไปเองเข้าไปที่โสตที่หูที่เรารู้ว่าเสียงนั่นคือว่าจิตธรรมดาหูเป็นเครื่องรับเอาเสียงใครเป็นผู้มารู้ว่าเสียงว่าเทศอย่างนั้นอย่างนี้สอนอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นคือจิตแหละดวงจิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมีโย่ในตัวมีโย่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนถ้าเรานั่งภาวนาแลวบริกรรมพุทโธอยู่ในดวงใจที่เราได้ยินเสียงพุทโธอยู่ในนั้นก็คือจิตนั่นเองเป็นผู้รู้เป็นผู้ได้ยิน ส่วนเสียงที่ว่าพุทธทนี้เป็นชื่อเป็นนามของพระพุทธิจ้เป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์แม้ท่านจะดับขันเข้าู่นริพานไปนานแล้วก็าตามในเวลานี้ชื่อว่าพระพุทธองค์นะั้นยังวางพระธรรมในพุทธศาสนาไว้ ถึง 5,000 ปีหลังจากพระองค์ดับฐานเข้าสู่นาริธานเวลานี้ก็ 2,526 ปีก็นับว่าเราอยู่ในกึ่งกลางพุทธศาสนาถ้าเราทำบุญให้ทานก็ดี ก็ได้เต็มเน็ดเต็มหน่วยเหมือนสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เรารักษาสินห้าก็มีผลมีอานิสงเท่า ก, กันกับสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เราฟังธรรมสงบจิตสงบใจยังใจของเราให้เยือกเย็นสบาย ก็มีผลมีอานิสงเท่ากับสมัยพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแล้วการสะดับรับฟังการฟังธรรมนี้เป็นสื่อสารอันสำคัญที่เราจะต้องกำหนดจดจำไว้ณนภะายในคือพระธรรมวินัยทัทนศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ที่เราฟังนี้ก็ดีหรือว่าอ่านตำลักตำลาต่างๆอันนี้ท่านว่าพระปริยัติธรรมเป็นธรรมที่จะต้องจดจานําไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วจดจไดไดาได้ข้อใดคำใดเอาไปประพฤติปฏิบัติมีการนั่งภาวนาในบ้านเรือนของเราสปนต้น ทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราโดยวิธีนั่งสมาธิภาวนานั่นให้ได้ทุกคืนถ้าเราทําทุกคืนทุกคืนไปก็ไม่เหลือวิสัยเพรว่าจิตใจของเราจะคุ้นเคยกับการนั่งคุ้นเคยกับการบริกรรมภาวนา เมื่อทำชั่นิดชันานแล้วจิตใจของเรานั้นแหละจะได้รับความสงบระงับเยือกเย็นสบายทุกคืนไปเมื่อใจของเรามีความสงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางที่จะกำหนดลูกนามกายใจตัวตนคนเรานี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักสามประการ ให้เห็นว่าลูกนามตัวตนคนเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดีมแปลงอยู่เสมอไม่ควรประมาตลึกขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของเราว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาเตือนใจของเราอย่างนี้ไม่ให้ใจของเราลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลส ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยาได้หลงหลืมคำว่าพุโทโธหรืออุบายอื่นใดก็ได้สดแท้จะว่าจะหลิกนิสัยจิตใจของเรานั้นนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความทัศภาคจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ถ้าเรานึกเช่นนั้นแล้วจิตใจของเรามีความสงบระงับก็ให้นึกอุบายนั้นเสมือน ก, นกันกับพุทธโธหรือว่าเหมือนกันกับอานาปาลมหายใจเพราะว่า <c oughs> คนเหลานั้นมีจริตนิสัยต่างๆกันไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้อย่างพระสาทตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น เวลาท่านจะเอาจริงเอาจังถึงขั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นท่านนั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพนะพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านเอาลมนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อนลมเข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไป ลมออกมาพระองค์ก็กําหนดได้ว่านี่เป็นลมออกมาเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นจนกระทั่งลมละเอียดท่านก็รู้หรือว่าลมมันขาดไปหมดไปแต่ว่าไม่ใช่ลมหมดจิตมันวางลมหายใจก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เฉยเฉยไม่หายใจพระองค์ก็มีสติละเลึกโยภาวนาเพียรแท่งอยู่ใน อุบายทำอนาปานั้นในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้สมาธากก ร, รมฐานเป็นที่สมาธากรรมฐานจิตใจสมาม ง, งบประนับได้เป็นปากทางเป็นต้นทางที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สมาธิตั้งมั่นแล้ว พระองค์ก็กำหนดรูปนามตายใจของเธอองค์ว่านามมารูปฟังอนิจจงนามเลยรูปนี้ไม่เที่ยงเมื่อพระของพระองค์ไม่เที่ยงของคนทั้งหลายมันก็เหมือนกันดูที่เวลาเกิดมาเป็นอย่างไรเป็นหนุ่มมาเป็นอย่างไรเจชะลาเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ย่อมเห็นแล้วว่า โลกขันโลกนามกายใจของคนเรามันไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็เกิดทุกข์ถ้าหากว่าไม่ภาวนาละกิเลสมันก็มีแต่เรื่องทุกข์เมื่อนคนเราที่เกิดมาแล้วจิตไม่ภาวนาไม่รวมมันก็เกินทุกข์โลกนามกายใจของคนเหล่านี้ส่วนมากเราจะมักว่าเป็นตัวเราของเราความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาคือว่า เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราบอกว่าอย่าไปเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันก็ไม่ฟังถ้าถึงเวลามันจะแตกจะดับเราก็บอกมันไม่ได้อันนี้ท่านให้รู้ว่าจิตใจเราอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเราเกินไป เพราะว่าร่างกายสังขารของคนเหล่านี้มันมีความแก่ความทรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายเป็นผลที่สุด <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าตั้งมั่นใจได้แล้วก็ได้ตรัสลูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกหลังจากนั้นมาพระองค์ก็โปรตันจาว ก, กีสั่งทั้งห้าสแสดงธรรมาจากกับกวาตนาโสตตแสดงอนัตตาลัคนาโสตต ปันจวัคคีทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอาราหารันบบตตาจีนาศจบรมอาจารย์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ส่งสาวกทั้งห้าองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปองละทิพละทางไม่ให้ไต่ด้วยกันส่วนพระองค์ของเราก็โปรตีอีกทางหนึ่ง เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองทั่วไปในสังกัมนุษยในประเทศอาณาสมัยนั้นนับว่าพระพุทธศาสนาจเจริญ ม, มีพระโสดาพระสกิาทาคาพระอนาคาพระอระหันตาจินาศทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาพยาอินพยาพรมทั้งหลายในสมัยนั้น ได้สระทำคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าภาษาวกของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่พ่อไม่ถอยได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทั่วไปนั่นก็คือว่าการประกอบการกระทาส่วนพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรูร้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วเรียกว่าอยู่ในพุท ธ, ธว่าพุท ธ, ธวงศพุทธะเวณี พระเอณีของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าแต่เก่าก่อนที่มาตัดแล้วท่านประกอบจิตการอันใดพระพุท ธ, ธเจ้าของเราผู้มีนามว่าพระพุท ธ, ธเจ้าโคโดมก็ประกอบสิ่งนั้นๆเหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าแต่เก่าก่อนมาคือตอนเช้าพระองค์ก็ปลอดสัตว์ในทางดินทบักทุกวันถ้าไม่มีจิตอื่น เรียกว่าพกปันเหตินดปาปตัญจ์เวลาเท้าโปรดสัตว์ในทางบินทัปปะสายันเหตธรรมเทสนังตอนใบบ่ายเย็นๆพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาเท่าพยามาหากราิย์เศรษฐีมาหาเศรษฐีอย่างในกรุงสาวัตถีก็วัดเชตวันมาหาวิหาร บ่า ย, า ย, เ, ยเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกพระองค์ก็มาตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอย่างนั้นทุกวันมาโดยลำดับเช่นนี้ถ้าตอนค่ำพระพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์พระสาวกทั้งหลายมีภิกษุภิกษุณีสามมณีสามมณีดีข้าขาวนางชี สอนเน่นหนักในทางนั่งสมาธิภาวานาเดินจมกลมบริ ร, รัมภาวานาว่าสาวกทั้งหลายนักบวชเป็นผู้เหียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้มันภาวานาละกิเลสความโกรธโลหลงในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดมุ่งหมายสาวกทั้งหลายก็ตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ทอถอยจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามอุปนิสัยวาสนาของท่านทีนี้เมื่อพระสง์องค์เจ้าเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนอัพพรเจเทวปัญหาหนังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเที่ยงคืนก็เรียกว่าทรงพยากรแก้ปัญหาของเทวดา พยาอินพยาพมในสิบโลกธาตุผู้ใดมีเวลาว่างสงสัยอย่างไรก็มาถามพระพุทธเจ้าได้แต่สิ่งนี้นั้นอย่างคนเราธรรมดาไม่รู้แหละเพราะว่ากายก็เป็นกายทิฏจิตใจของท่านก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ากระธรรมประสงก็มาฟังเทศน์นั่นเองฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ตอนเที่ยงคืน พระพุทธเจ้ามีจิตประจำอยู่อย่างนี้แล้วจวนจะส ว, าว่างก็พิจารณาสัตว์โลกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรมทั้งหลายทุกนี้มนุษย์และเทวดาผู้ใดมีอินทรีย์บรารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนมีหรือไม่พระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติถ้ามีก็มาปรากฏ ถ้าไม่มีก็แล้วไปอันนี้เป็นกิจประจำวันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้กรัสรู้แล้วจนถึงวันนิพพาน45ทีหรือว่า45พันษานับว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีกำลังกายแข็งแรงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีน้อยเพราะว่าจิตใจของท่านเข่งแ็ง มีอะไรอะไรทุกอย่างที่คนเราทำไม่ได้พระพุท ธ, ธเจ้านั้นทำได้ปฏิบัติได้ขนาดหนาวร้อนท่านก็ไม่หวั่นไหวอย่างท่านไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าหิมะผ่านป่าน้ำแข็งท่านก็ไปภาวนาได้บนฟ้าบนสวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาแม่อยู่บนไปจำพรรษาดาวดึง ไม่มีลมหายใจท่านก็เอาลมหายใจได้ไม่มีเข้าน้ำโภสนาอาหารท่านก็ไปเทศสนาอยู่โน้นตั้งสามเดือนจึงกลับลงมามนุษย์โลกสิ่งเหล่านี้แหละแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกทิศทุกทางไม่มีใครจะดีวิเศษเกินพระพระัมมาสัมพุทธเจา้าครได้ ท่านเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้สมัยนี้ก็อย่ามาทอแท่อ่อนแอว่าเราไม่ได้เห็นพระพุท ธ, ธเจ้าเห็นแต่พระพุท ธ, ธลูกเห็นแต่พระที่เขียนเป็นลูกเป็นล่างออกมาก็อย่าไปน้อยใจพระธรร ม, มในพระไตรปิฎกที่เราท่านทาั้งหลายทําบุญสุนทานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นหลักฐานพยานอยู่ตลอดจนผู้ปฏิบัติ จเจเลนสมถกิรมาธินิสนารรม า, ามมนามาามก็ยังมีอยู่พระสง์องค์ขเจ้าก็ยังมีอยู่และวัดวาศาถาก็ยังมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยเห็นนั้นใจของเราจาได้มีความท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อถอยแล้วนอกจากเราทําบุญให้ทานอย่างที่เราทํานี้ก็ดีหรืออย่างอื่นก็ตาม เลีย ว, ว่าอามิสทานให้ทานปัจจัยทั้งสี่ได้แก่ถาวายอาหารและดินาบาตถาวายท่าป่าบังสกุลเครื่องนุง่งห่มสวายเสยนาชนะถาวายยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บอันนี้คันว่าอามิสบูชาส่วนปฏิบัติบูชาก็เหมือนเราท่านทั้งหลายเมื่อทำบุญสุนทานแล้วก็ฟังธรรม นั่งกรรมฐานภ า, าวนาอย่างที่นี้นั้นก็เรียกว่าเราได้ที่อันเรามุ่งมาราถนามานานแล้วว่าเมื่อใดหนอข้าพระเจ้าจะได้ไปในป่าไปในเขาไปในถ้ำในคูหาบัดนี้เราก็ได้แล้วสถานที่วิเศษคือว่างเงียบสงัดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งไว้กับผู้บวชใหม่ บวชใหม่เมื่อใดเพื่อนก็สั่งไว้ว่าลุกขมูลและเสนาสนังนิสายาพัชนาภัพเตยาวชีวังอุซ่าโฮกรลีโยผูบ้บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ถือว่าเสนาสนะที่อยู่อันสำคัญนั้นคือลุกขมูลล่อมไม้ลุกขมูลล่อมไม้นั้นไม่มีความห่วงอะไรสิ่งใดๆ เวลาไปนั่งภาวนานอนภาวนาเวลาไปจากนั้นก็ไม่ห่วงอะไรเพราะไม่มีสมบัติอะไรในล้มไม้นั้นไม่เหมือนโบสถ์วิหารหรือว่าศาลาการปะเลียนอันนี้มันยิงมักจะมีห่วงอยู่บ้างแต่ว่าลุกขมูลล้มไม้นั้นไม่มีห่วงพระองค์จึงสอนว่าให้ไปภาวนาในลุกขมูลล้มไม้ บัดนี้เราท่านทั้งหลายที่ว่าเราอยู่ในที่ชุมนุมชนหาเวลาว่างไม่ได้วันนี้คืนนี้ชื่อว่าได้แล้วสถานที่นั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทธโธจนรวมจิตใจของเราลงไปได้ น, นั่นแหละสําคัญมากเพราะว่าบัดนี้ที่ใดจะที่ว่าที่นี้ไม่เงียบไม่สงัดไม่ได้ เพราะว่าป่าเขาป่าเขาลำเนาไผ่เป็นที่เงียบที่สงัดเป็นที่สบายที่สุดถ้าเราทั้งเจตตั้งแต่เราขึ้นมาทีแรกจะเห็นว่าใจของเราแม้กายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอย่างไรใจนั่นเรียกว่าใจมีกาลังมีกาลังมีความสามารถอาหาร ขึ้นมาได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งมาถึงแล้วจิตใจเราก็สบายจนกระทั่งมาถวายทานเสร็จไปแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมต่อไปอันนี้ก็ได้ชอว่าเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพื่อเสริมสร้างกำลังจิตกาลังใจของเราให้มีกำลังความสามารถหรือว่ามีสตาแจกรา คนเรามันสําคัญที่จิตใจถ้าว่าจิตใจจะเอาจริงๆภาวนาจริงๆแล้วไม่เลือกว่าหญิงว่าตายภาวนาได้ทั้งนั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันอยู่ในใจอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เราฟังอยู่นี่เองถ้าเราตั้งใจรวมใจเข้ามาตั้งมัน่นจริงๆได้ จนเห็นว่านอกจากจิตใจดวงผู้โลโยในตัวในใจนี่ออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอย่าไปยึดถือเอาอย่าไปยึดถือเอาถ้ายึดถือเอามันก็เป็นทุกข์เฝ่าๆนอกจากจิตใจดวงที่รู้ออกไปนี่แล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา ตัวตนของเราจริงๆก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อมั่นคงลงไปที่นี่ได้แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกการในโลกที่เรามาเกิอดอยู่นี่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดนั่นแหละ ยาได้หลงยึดเอาถือเอาเราภาวนาพุทธโธให้ใจเราเย็นสงบระงับสบายทุกทุกนไปอันนี้แหละเป็นของดีวิเศษทิ้งอื่นนอกจากนี้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของมากมายเหลือใา้เหลือสอยก็ตามสิ่งนั้นยังเป็นที่พึ่งจริงๆเหมือนสมาธิภาวนานี้ไม่ได้ ส่วนการนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตอนนี่ได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงยังมีชีวิตอยู่เราก็ใจสบายมีความสุขภาวนาใจสงบระังับรู้จักบาปบุญคุณทอดประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ในตัวในใจของเรา ถ้าชีวิตแตกดับไปเมื่อใดเวลาใดจิตใจที่ภาวานานี่มันจะติดตามเราไปถ้าเราละกิเลสยังไม่หมดก็จะมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไปอีกถ้าละกิเลสความโกรธให้หมดไปกิเลสความโลภความอยากได้ให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปใจเราของใสสะอาด ไม่วุ่นวายในกิเลกสกรรมวัตถุการมมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงเป็นดวงเดียวจิตใจดวงนี้แหละจะประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้สติจะมีสมาธิจะได้พงาัญญาได้ยานอันวิเศษละกิเลสความโกรธโลกหลงให้หมดไปสิ้นไปได้แต่ต้องตั้งใจจริงๆ ความตั้งใจมั่นคงนั่นแหละสำคัญถ้าหัวใจเรามั่นคงแล้วท่านว่าเป็นสมาธิทำอะไรตั้งใจทำจริงๆอย่างเรานึกบริกรรมพุทธโธก็ตั้งใจนึกหรือเราฟังคำได้ยินเสียงมีความรู้สึกอยู่จุดใจของเราก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ จะมีเรื่องกระทบกระเทือนอย่างใดก็ตามไม่วันไหวไปในสิ่งใดๆใจเราจะมั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินถ้าเราทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแล้วทำอะไรสำเร็จทางนั้นแหละถ้าหากว่าใจเรานั้นเหมือนกับเอาไม้ไปผักทรายลมพัดมาก็ลม้มอย่างนี้ไม่ได้ท่านว่าให้ใจเราหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ดูแผ่นดินใครจะทำดีทำร้ายอะไรให้แผ่นดินก็เฉยใจของเราเมือ่อนึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมลงไปจนเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวและจิตก็สบายหละหรืออย่างหนึ่งเราก็ดูถ้ำถ้ำครูหาที่เรานั่งภาวนามาอยู่เดี๋ยวนี้ถ้านี้มันมีความหนักแน่ใครจะไปทําอะไรให้ใหถ้านี้หวั่นไหวไม่ได้ ถ้าเราทำใจให้เหมือนกับถ่อมเหมือนโคหาเหมือนถ้ำจิตใจเราก็สบายใครจะติเตียนนินทาก็เหมือนเราไปติเตียนนินทาก้อนหินอย่างนั้นแหละหินมันก็เฉยถ้าเราวางเฉยได้ใครจะสัะสนรเริญนินทากาเลก็ช่างเราก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจ นั่งก็พุทโธอยู่ในใจยืนก็พุทโธอยู่ในใจเดินไปที่ไหนมาไหนก็พุทโธอยู่ในดวงใจใจของเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามเป็นอันว่าภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั่นเองเมื่อเราทําโยปฏิบัติอยู่ไม่ประมาทมัวเมาจิตใจของคนเหล่านี้ มันมีหลักอยู่ว่าถ้าเราทำดีทำบุญให้ทานรักดาศีนจนถึงขั้นฟังธรรมนั่งสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆมันก็เจริญขึ้นจิตใจของเรานี่แหละมันดีขึ้นสบายขึ้นหนักแน่นขึ้นทำดีได้ตลอดไปความดีที่เราทานี่แหละมันเป็นนิสยัยเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมี ให้ใจของเราแก่กล้าในการที่จะละความโกรธความโลภความหลงในใจให้หมดไปสิ้นไปมันขึ้นกับจิตใจของคนเราทางนั้นไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นหญิงภาวนาไม่ได้ภาวนาได้แต่ชายไม่ถูกหญิงก็ภาวนาได้ชายก็ภาวนาได้มันอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่สติกัญญาของแต่และบุคคล สติปัญญาของแต่และบุคคลนั้นจะบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่ว่าอยากให้มันเกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองเราต้องประกอบกับทำเหมือนอย่างคณะนี้เวลานี้เรามาสู่สถานที่เงียบสงดัดมาสู่สถานที่ฟังธรรมจิตใจเราก็ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจบริกรรมฟังธรรมอยู่ตลอดการ จนกระทั่งใจสงบใจตั้งมั่นใจเย็นใจสบายเมื่อใจสบายแล้วอยู่ที่นี่ก็สบายกลับไปบ้านเดอนเคยหาสถานก็สบายทางนั้นเพราะว่าใจภาวนาใจละความโกรธใจละความโลภใจละความหลงอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สบายทางนั้น อันการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ตอนแรกๆ ก, ก็อาศัยสถานที่บ้างคือว่าจิตใจของเรายังไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าเราทำเราปฏิบัติจนตั้งจิตตั้งใจได้ดีแล้วยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้จะเห็นได้ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดอายุเจ็ดขวบ ทั้งโบวชและไม่โบวชท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาก็มีเป็นพระอนาคาก็มีเป็นพระอาราหันต์ตาชินาศก็มีเยอะแยะในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นนั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติแม้จะเป็นคฤหัสญาติโยมก็ตั้งใจภาวนาอยู่อย่างนั้น จะเห็นได้ว่าพุทธมีดาพ่อพระพุทธเจ้านั่นท่านไม่ได้ไปบวชไปเรียนเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระ อ, องค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ดินลักพัฒน์นั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าไปภาวนาได้หกพันศาได้ตรัสรู้แลว้วก็มาโปรดพุทธมีดาพ่อ พ่อนั้นก็ตั้งอกตั้งใจทําบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพระองค์ตรัสสอนอย่างไรท่านก็ทําตามไม่ได้บวชไม่ได้เดียนแหละท่านก็ภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมุนทีมีแต่ก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอาราหันต์ตาบันปลายชีวิตก็ ดับขันเข้าสู่นตือผ่านในกลางกับป่าสาดนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ไปรำชาปนาจิตพุทธบิดานั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าหาวตั้งใจทาตั้งใจปฏิบัติมันได้ทางนั้นดีทางนั้นแหละไม่ต้องไปว่าอยู่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเราหลงมารกิเลส ธรรมดาสังขารลมานกิเลสมานั้นมันโกโหกพกลมอยู่วันยั่งค่าคืนยัางรุ่งถ้าเราไม่มีสติเราไม่ภาวนาก็สู้มานกิเลสในใจของเราไม่ได้อย่างง่ายๆก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะหลับจะนอนเราจะหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเชียก่อนจึงค่อยนอน มานทังขานอันนี้มันก็โกหกพกลมว่าอย่าวัดนั่งภาวนาเลยวันนี้มันเหนื่อยมากไปทำการทำงานวันยังคำแล้วก็มานั่งภาวนาเดี๋ยวร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้มันว่าไปอย่าไปเชื่อใครร้อง ก่อนที่เราจะหลับจะนอนก่อนลีกราบพระไหวพระนั่งสมาธิภาวนาให้มันสงบระ ง, งับเยือเกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนถ้าเกิดจิตใจเราดื้อด้านขึ้นมาก็อย่าไปถอยความเพียนถ้าห้าว่านั่งสมาธิภาวนานิดหน่อยมันไม่สงบก่อ น, นั่งเพิ่มไปทุกวันทุกวัน เอาจนตีเตะเลิดได้เอาจนได้ชัยชนะเมื่อได้ชัยชนะมันก็ชนะเรื่อยไปเหตุ น, นั้นการภาวนาปฏบิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้อย่าไปติว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือมันก็มักจะอ้างว่าเราอยู่ในคารวะญาติโยมการภาวนาเป็นเรื่องของประสงค์องค์ข้าเจ้า เหล่านี้และเลขเยี่ยมพยามาณอย่าไปเชื่อไปหลงต้องเชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าว่าตั้งใจปฏิบัติเมื่อใดเวลาใดก็ได้รับความสุขกายสบายใจเมื่อนั้นเวลานั้นและไม่ต้องรอให้แกให้ชราเสียก่อนไม่ไหว เรายังเด็กก็ภาวนาปฏิบัติบูชาแต่เ ด, เด็กนี่แหละไปเราตกอยู่ในวัยหนุ่มก็รีบภาวนาในวัยหนุ่มเมื่อตกอยู่ในวัยแก่วัยชราก็ยิ่งเล่งภาวนาให้เก่งกล้าสามารถอาหารเพราะว่าคนแก่ชรานั้นท่านเปียบปุปมาเหมือนไม้ใกล้ฝั่งมันมีแต่จะหักโค่นลงมาฉันใด เมื่อถึงวัยแก่วัยชราอะไรมันจะติดรัดไปหมดเป็นส่วนมากตาก็ไม่ดีเพราะว่าตามันแก่หูก็ฟังอะไรไม่ชัดเพราะว่าหูมันแก่อะไรอะไรมันก็แก่ชราไปทุกอย่างทุกกระการอย่าไปรอให้มันแก่เอาปัจจุบันธรรมคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้มันตั้งขึ้นมาในจิตใจของเรา ยิ่งประพฤติปฏิบัติได้แต่เมื่อเด็กเมื่อหนุ่มนั้นแหละดีวิเศษไปรอให้แก่แล้วมันก็ไปไหนมาไหนไม่รอตาไม่ดีหูไม่ดีจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้ไม่ถูกเอาให้มันแก่ก้าสามารถยิ่งคนแก่ก็ยิ่งภาวนาได้ดีก็เล่าแกชราแล้วมัน เหลือลมหายใจเข้าออกเท่านี้ยังจะมาติว่าตัวเองแก่เมื่อหนุ่มมันไปอยู่ที่ไหนโลกขึ้นภาวนาบ่าต้องรอคนหนุ่มเอาให้มันคนแก่จลาดให้รู้จักกองทุกกองภทยในโลกในวัฏสงสารในรูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้ถ้าจะมาหนีแต่ภายนอกไม่ได้ต้องหนีในใจคือว่าเอาใจมาภาวนาตั้งให้มัน่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้ว ก็ให้กำหนดว่าอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี้เราจะไปคิดเอาตามใจหวังนั้นไม่ได้เพราะว่าจริงทั้งหลายไม่เที่ยงจริงทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกจริงทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาโลดจักปล่อยวางทำใจให้เท้าสะอาดเหมือนผ้าใหม่ผ้าขาว เมื่อใจของเราใสสะอาดเรื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเรื่อมใสในคุณพระธรรมเรื่อมใสในคุณพระสงฆ์เรื่อมใ ส, ใ น, ใ, ส, ใ, น ส, ใ, สในการปฏิบัติบูชาภาวนา ป, ประจำอยู่ในจิตใจในตัวของเราแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางจิตใจในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย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 สุขีทีทายุโกภวอาอิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจจายิโนจตารโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพาลังการนั่งสมาธิระวนาให้ภาการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้น เป็นเวลาพระพุทธเจ้านั่งขี่ต้นไม้โพในวันวิสาขบูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอนาปารลมหายใจเข้าออกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า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 บทเริต้นแล้วว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนึกในใจพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามหนแล้วก็เอาพุทธโธคําเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออก ให้เป็นที่สังเกตว่าจิตของคนเราจิตของเรานี่คือดวงจิตผู้รู้มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าเรานึกพุโทโธพุธโทโธในใจหรือเรานั่งฟังเทศฟังธรรมเมื่อเสียงดังขึ้นเสียงนี้ก็จะลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสตที่หูของเรา จิตผู้โลภภาวนาพุโทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุโทโธพร้อมกับลมเข้าลมออกสวมจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายใน สิ่งใดที่เป็นอดีตร่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกปล่อยวางเสียท่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าทุ่งนี้ปรืนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงใจในเวลาปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราฟังธรรมเรานั่งสมาธิจิตเราพุ่งให้ไปที่อื่นเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกน้อมอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้า ภาษาบาลีว่าพุทธพะพุทโธภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเมกข์ก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างไรก่อนปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจขับแค่นแน่นใจไม่ให้มี ร่างกายก็ให้อยู่ในท่านั่งหลอดกลงสบายตายวาจาก็ต้องไม่โผดใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกน้อมในใจได้ยินเสียงพุทธะพุทธะ พ, พุทโธ ท, ที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้น จิต ใ, ใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นผีสันดานนะแสงสว่างอย่างโนมอย่างนี้ไม่มีจิต ใ, ใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคาว่านามธรรมไม่มีชุดไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นั้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศ แต่มันมีความรู้อยู่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุกทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับโลก ดวงจิตนั้นมันจริงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาโย่ในโลกประขันร่างกายของคนก็เป็นเรื่องคนไปเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปลายก็กกจิตนั่นแหละมั น, ม, นมันสั่งการให้ร่างกายทนไปตามจิตใจมันชอบ แต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่งเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธไรนึกน้อมทุกขณะจนถี่ยึดไม่ให้ใจิตใจมันคิดไปที่อื่นรวมจิตลงไปอยู่ที่ลมเข้าลมออก ถ้าเราสังเกตให้ดีตั้งจิตให้ลงถึงที่ก็จะเห็นในจิตนั่นแหละความได้ยินเสียงวันนึกกุโทโธมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงบิน ญ, ญาณอันไม่ไปที่ไหน คือเราว่าจิตไปโน้นไปนี่น่ยมันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้นความจริงตั้งจะมาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละกิดเดือนไม่ได้ไปไหนจิตดวงที่โล่นี่แหละมันมาปฏิสนธิวิญญาณมายึบเอาถือเอา โรคภาระร่างกายตัวตนคนเราเป็นหญิงก็ยึดเอาร่างกายหญิงเป็นชายก็ยึดเอาร่างกายชายเกิดมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราของเราตัวโก้ของโก้แม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่า ก็ว่าขอกจอดจำเอาว่าชื่อนั่นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุดาว่าลายให้กัดชื่อกัโกรดนั่นแลจิตมันหลงยึดหลงเถือออกเวลาภาวนาท่านไม่ให้ไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนพอไปยึดโยจิตมันรวมไม่ได้สงบลงไปไม่ได้วุ่นวาย เวลาภาวนาเนิบน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละเจตใจจริงๆเนี่ยมันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารยินญานรวมแล้วก็จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดิน เบใจจะรู้ว่าเราดีใจเสียงอกเสียใจร้องไห้น้าตาไหลก็รู้สึกว่าเราร้องไห้น้ำตาไหลโทษที่รู้จักมันแหละท่านแหกว่าจิตใจจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออก เอาจนจิตใจนี้สงบกระงับเยือกเย็นสบาได้ทุกทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนรวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไรจิตอันนี้แหละมันจะมีสติมากขึ้นมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นขึ้น จิตอันผู้โลนี่แหละมันจะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาหานขึ้นมาไม่มีตัวต่มันก็่ามีดวงจิตนั่นแหละถ้าฝึกฝนอบรมตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สงบสงบัสงบเยน็นสบาย เคยกรดก็ไม่โกรดเคยโลกอยากได้น้นได้หนี้เกินประมาณก็ไม่โลกและไม่หลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโปรดพระธรรมลมในโลกด้วยเมื่อจิตตรงนี้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปที่อื่นจิตมันก็สว่างสวัยโยในกายในวาจาในจิตในใจตัวเอง ตาโดโหฟังอะไรก็มีสติทางนั้นเมื่อมีสติความะระลึกได้ไม่หลงไหลสมาธิก็ตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้มากเท่าไรญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีนสมาธิปัญญา วิาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาจะพูดการปราศัยก็ให้มีสติจะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติทาสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่อง คนบางคนเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไม่มีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปหรือลุกขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดจกไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติ คนขาดสติเดินไปก็ไปเยียกขากเหยียบหนามเหยียบทานไฟเขาทิ้งไว้ก็นี้นั่นก็ว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดีถ้าจิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่ หลักศินห้าศิลแก่ิีลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดก็อยู่ที่นี่แหละศินสมาธิปัญญาวิชาวิมุตจนถึงความหลดทุ่นทนในทางพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเหล่าทุกคนตลอดจนไป ถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานจะอยู่ในใจคนเราทุกๆคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความลุ่มหลงโมวเมาในจิตใจให้หมดขึ้นแม้ท่านนิพพานมีอยู่ก็ไม่เห็น้าเลิกละอะไรต่อมีอะไรออกไปหมดแล้ว เหลือแต่ดวงจิตผ่องใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งชึ้งนิทานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกยากมันอยู่ที่ที่ตืน่นที่มือว่าอย่างไรต่คือมันอยู่ในตัวคนเราอยู่ในใจเราทุกคนเราไม่ได้รวมจิตใจมาดู เวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาดูร่างกายภายนอกมีอะไรมีมือมีแขนมีเท้ามีศรีรษะแขนสองขาสองศรีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอด่อ ภายในหนังหุง้มมีดวงจิตโยภายในเมื่อดวงจิตมีโยภายในทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งโยที่ไหนก็คือจิตมันนั่งอยู่นั่นแหละได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยููลไปไม่เอาละทิ้งู้อยูู่้กลับเข้ามา กลับเข้ามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาดูคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนตัวเรานี่แหละมีตาสองหูสองจมูกสองกล่องปากหนึ่งดิน้นหนึ่งมีจิตใจคองร่างกายอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละ ยังไม่ตายก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงถ้าถึงเวลาตายสมมุติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะพึ่งไว้ในป่า ตายแล้วมันก็จะเปืยเน่าผุพังมแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เจนนอนกินกินน้าเลือดน้าเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูกงานเข้ากระดูกก็กระจัดกระจายไปเปื่อเน่าผุพังทับ ถ, ถมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้โลภผู้ภาวนาอยู่นี่ มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปคล้องอยู่ในโรคเสียงสินลดผดทะพระธรรมลมที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่ น, นแหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเย็นอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิด พอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ฝนตกแดดออกอะไรมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นคือจิตใจมันคอยไปยึดไปถือยึดหน้าถือตายึดตัวถือทนยึดเรายึดของของเรา ถ้าเราถามดูแล้วว่าอะไรเป็นของเรามันไม่ในว่าล่ะธาตุดินคือร่างกายคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งคือดินน้ำไฟลมแต่และอย่างละอย่างถ้าเราถามดดว่าธาตุดินนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉย ถ้าน้ำไม่เป็นของเราไหมมันก็เฉยๆอ ย, อยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ทราจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นหมดที่ประวัติธรรลดทุตทรมผลที่สดต้อเกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้ เก็ดถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแหละคล้ายๆก็ว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นคนอื่นผู้อื่นทำไม่ถูกจิตใจของตัวเองเมื่อมันโกรธจัดโกรธจนกระทั่งว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันถึกดุดาว่าไลา่ไปตามเรื่อง นักเข้าก็ประหักกระหานฆ่าฟันลันแทงผู้อื่นให้ตายไปก็ได้นั่นคืออำนาจของความกรธความโอภความหลงอย่าให้อำนาจนั้นมาโยในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเราเนี้ให้มีคนระพุทธเจ้า คำว่าพุทธโธพุทธโธนั้นละพุทสิจ้าทัณณละกิเลสความโกอ่อละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้วละวาสนะอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดจิตใจพระองค์ก็ใสโ ย, ยเหมือนแก้วเหมือนแก้วมันมีโทษค แก้วมณนิโชตเป็นแก้วที่เรกวใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินทร์้ามาหัด ส, สมาธิภาวานาจากพระธรรมนัยคำสอนของพระพุทธเจ้า แ, แล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาสึ้งความเชื่อความเลื่อมใส ในคนพระพุทธเจ้าในคนพระธรรมในคนพระอริยสงสาวกและใจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประดิดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> ถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติสูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพยาอินพยาพรมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นอะไรต่อง น, นี้อะไรกอมันกิเลส่าเป็นละกิเลส่าดกิเลสทังความโกรธให้ตายไป ฆ่ากิแลสความโลภให้ตายไปฆ่ากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำ น, นาจกิเลสเจตอันนั้นก็แล้วว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นอว่าไม่มืดไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัชุธาทั้งหลายท่านแจ้งแจ้งชัดเจนว่าในโลกนี้ เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะให้มันเที่ยงกงอยู่ไม่แก่ไม่ชราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วที่แรกก็เป็นพารกอยู่ในเบาะในเตียงานเข้าพ่อแม่เลี้ยงดูรักษาจนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมา เมื่อยายหมดเขตแล้วก็ทำรดซุดทอมแจชลามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกผลลภาพผลที่สุดก็ไปโซความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วน ถ้าไม่ภาวนาละกิเลสในใจของตนจริงๆแล้วก็จะมาเกิดมาตายยุ่งยากอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีอะไรก็ทุกข์เพราะไม่มีทุกข์เพราะจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิแลความโกรธให้หมดไป จิตไม่ละกิเลสความโลภให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปเหตุใจอันนี้เมื่อมันแตกดับตายไปมันก็มาตั้งใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็มาเป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปไม่จบไม่สิ้นคือว่าทําตามอํานาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ตลอดการ เลยก่แลสเหล่านี้มันทาให้เกิดเกิดมาแล้วก็แกะะ่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุบินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลองมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละแค่นั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐาน นั่งกรรมาฐานขัดสมาเช็ดในได้ทุกทุกข์เขินท่านมท่านจงให้ทุกทุกข์กเขินเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บให้ได้ป่วยก็จะได้โลภเท่าทันจะไม่ต้องไปล่องให้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้ เมื่อมันเกิดได้มันก็แกะ่ชะลาได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกอย่างนี้แหละแ่นั่นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ให้ฝึกตัวเองให้นั่งเขา